คนพาลแม่สบายไป็นแบบนีนน้มันก็ไม่แน่นอนนะไม่แน่นอนเพราะว่าควาแน่นอนจริงๆคือความไม่แน่นอนเราไปคิดให้เราอฏิบัติหลายทีแล้ ว, ล ว, ลวมันต้องต้องดีขึ้นนะมันต้องดีขึ้นดิดนะมันดีคือคำว่าดีขึ้นเ น, ะนี่ยนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะ มันจะไม่มีอารมณ์ไฟขับสนสิ่ง ม, มันจะต้องว่าสำาดีขึ้นคือจะต้องมีแต่ต้องไม่มีสิ่งที่เราไม่ชอบแต่คำว่าดีขึ้นบางทีคือแม้มันมีสิ่งที่ที่ไม่ชอบแต่เราอยู่กับเขาได้อเ <ừ>, นี่ยคือคำว่าดีขึ้นอย่างนั้นแต่ก่อนใบไตอยู่กับเขาไม่ค่อยได้ แต่ปัญหาก็อยู่ได้แต่ก็าไปอูได้ไม่ใช่เข้าไปอเข้าไปอยู่ของเขาเป็นกับเข า, เขเขานะแต่หมายถึงว่าเรารู้สึกอ่าจิตใจปกติมากขึ้นจิตใจคปายคลายคลวนใจไปกับสิ่งตัวนั้นน้อยลงนี่คือพัฒนาการคือแบบนีน้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติพื้นทีพอรวลดีมันสุกแล้วเราก็ คือเราก็ไปอยู่กับความสุขความสบายตอนเราเพราะว่าของตัวเนี้ยมันไม่เที่ยงไม่ที่ยงดีมาเกิดขึ้นช่วงขนาดนั้แล้วมันก็จะต้องผ่านไปในแบบนี้คล้ายๆนโดนะเราก็มีบางช่วงก็พักมาเนียนจะกเมฆบางช่วงมันก็แบบมันก็พักเข้ามาบางพระอาทิตย์แต่มันก็คือช่วงคาวช่วขนาดนั้นแล้วมันก็ต้องผ่านไป การภาวนาที่มันจะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะที่ภาวนาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันก็เป็นสิ่ที่เกิดที่เชื่อคาเชื่อคำแต่สิ่สำคัญคืเราในทางการความร้อนหรือความสงบเย็นนะทางการความรุ่นรายหรือว่าความสงบนะจิตใจ เราขึ้นๆลงๆตามเขามากน้อยขนาดไหนเนี่ยคือเวลาปฏิบัติธรรมบางทีก็มันยากตรงนี้หนยะยากที่ปฏิบัติธรรมไม่ได้ยากแต่แต่มันยากพอพอมาเจอด่าทดสอบบางคนก็ก็ไปต่อไม่เป็นหรือว่าก็ถอย นักปฏิบัติธรรมบางทีก็ถือว่ามีมีไม่มากมีน้อยเพราะว่าบางคำมันไม่ใช่ว่าจะเจอแต่ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วจะมีแต่สุขสบายดีอย่างเดียวมันมีทุกรสชาติมีทุกรสชาติบางทีเราเราก็เห็นย่างพระพุทธเจ้าเห็นครูบาอาจารย์เวลาท่านแสดงธรรมเวลาท่าน อู่ให้เราเห็นนก็รู้ว่าทำท่านดีเกินนะฉลาดมีปัญญาสงนี่เย็นสบายเเกินนะแต่จริงเรามาเห็นก็ที่คือท่านปฏิบัติได้ดีแล้วสาเร็จแล้วแต่แต่มาว่าเชื่อว่าในระหว่างนั้นท่านก็หนักหนาเหมือนกันแหละ ขนาดพรกก็จะเจ้าความเพ่งมวามมีมาเยอนะหลังจากออกบวชใช่เวลาตั้ง6ปีกนะ่อนจะเปิดใจพกทานนะที่ถูกตัวอาจารย์หลายๆลูกก็คืออย่างเราว่าวเราเทียนท่านเข้าใจธรรมะเร็วปฏิบัติแค่2วันก็คือเป็นเวลาแค่สวันแต่ก่อนนั้นท่านก็ปฏิบัติ วิธีอื่นมาเยอะเหมืนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรมาก่อนแต่ก็ทำมาเจนทา่ามันค่อยๆสะสมสะสมสิ่งที่เราปฏิบัติตจริงๆนะคือการเรียกว่าบลงเพราะอินทรีย์ก็ได้นะอินรีมันไม่ใ่อ ย, อยากพูดว่ามันตัน้งบารมีบางทีก็มันจะสูงเหมือนกันแหละนะแต่ บทีพอเราพูดถึงการสร้างบารมีมันจะนเคล้ายๆเจบะจนแต่เรื่องเรื่องศาสนาอะไร่ะเรื่องสร้างบารมีในแต่จริงมันก็ถูกเหมือนกันนะแต่การบอกว่าะอินทรีย์ให้แก่กล้าคือใครรู้จักคำว่าอินซีรึเปล้าไม่ใช่นองอินรีย์อินรียือมีศรัทธามีวิริยะ มีสติมีสมาธิมีปัญญาอินรีหน้าพระหน้าคนมักีภาษาโดยใช้คำคนนี้อินทรีแกนะ่กล้าอินทรีแก่กล้าซีนมีทั้งหน้าเนะมันปนช้แก่กลนะ้าสะสมมาเยอะคนนี้อิออนทรีอ่อนสำวนะ่า อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อินทรีอ่อนซีนพระหน้าถ้าคุมีหน้าก็ต่องแอล่งแอลอินทรีอ่อน ันนี้อ mm ีอีแก่กล้าเช่นเจอความลำบาก็สู้อันนี้คืออินทรีย์อแก่กล้าอินที์อ่อนเลยะเจอความลำบากถอยนันเองถเจอปัญหาหน่อยถอยละนั่นเองคือที่เราทำตานะคือถ้าคนมีอนทีแก่กล้าก็จะค่อยๆผ่านแต่คนที่อินทรียอ่อนก็มันถอย ถ้าไปสู้ขึ้นมาใหม่ก็ก็อินซีก็ไม่ไม่แก่ก้าทุก็นะพเราเห็นก็ต้องดูนะดูตัวเราเองถ้าเราถ้าเราเป็ีคนทุณค่าของการปฏิบัตินะค่อยเ็บ่มเพาะอินซีให้มันแข่ก้าคำว่าศรัทธานี่ไม่ใช่แปลว่าความเชื่อแบบประเภทว่าเชื่อมี ผมเหลื่อมโนผมนะเรียกว่าพระบอกให้ทําอะไรก็ทําทุกอย่างไม่ใช่ศรัทธาแบบนั้นนะพระจริงๆก็มีพระไม่จริงก็มีไม่ใช่เราเชื่อในทุกอย่างนะอืต้องศรัทธาที่มีมีปัญญามีปัญญานะะพระพิจารณ์ไม่ไสอนให้เราศรัทธาแบบงมาย ในตารางสูตรลองไปอ่านดูก็ได้นะอย่าพึงเชื่อปิดยาท่านสอนไม่แต่ว่าอย่าพึงเชื่อไม่แต่สัมมาณะนี้เป็นครูของเราคืออย่าพึงเชื่อไม่แต่ว่าเหตุผลสกากลน่าเชื่ออย่าพึนเชื่อก็อไม่ใช่บอกว่าไม่ให้เชื่อนะแต่ถ้าว่าอย่าปึนเชื่อคือบางไว้ แล้วตลองทําดูทําไปแล้วมันเป็นกุศลคือมันดีมันก้าวหน้าพัฒนาขึ้นเนี่ยเราก็คุ้เชื่อทําต่อทําแล้ ว, ลวมันไม่ก้าวหน้ามันเป็นธรรกุศลก็ไม่ทำนั่นแหละคือบางทีไม่ใช่ว่าคาแนะนํานั้นไม่ถูกนะแต่บางทีไม่ถูกจิตของเราก็มีไม่ใช่ว่าไม่ถูกเช่ น, นตัวอาจารย์บอกทําแบบนี้อาจจะดี น่าจะดีแต่อาจจะดีกับคนนี้แต่อาจจะไม่ดีกับคนนี้ก็ได้บางทีบางอย่างคาแนะนำบางอย่างเป็นอุบายอุบา ย, อ, ยาาาา อ, อุบายอนยะ่างเวลาเราปฏิบัติน่ะคือบงทีไม่เหมือนกันบางทีเราจะไปติดอุบายอยู่เช่นบางคนเช่ให้นั่งนางนๆนั่งนางนๆ้วบางคนรู้สึกว่าคนนั่งนานนั่ง น, น, น บ่งเพราะอินซีคล ouais. uh ้ายที่มีความเพียรมีความอดทนให้มากขึ้นแต่เขาก็อปรับตัวปรับใจอยู่เขาได้แต่มางคนนั่งนานมากบ่งเพาะอะไรบ่งเพาะโทรสารเป็นทุกเป็นทุกมากโกรธแบบหุดหิบนะหยุดหยิบหยุดกิจชื่อบ่เพาะโทรสาร ก็อ oh, oh, ันนัาจะไม่เจ็นเลยก็ก็เกลียบบางคนกดนอนก็ดีกดนอนลองกดนอนบ้างนาดีรู้สึกว่าไอ้ที่เคยคิดว่าแบบสู้ไม่ได้ความง่วงเนี่ยพอมาตกมันบ้างซึ้มมันซื้อได้ทันหิดใจแข็งแข็งเพิ่มขึ้นแต่บางคนกดนอนแล้วสะดุดสะดือไปอีกวันนึงนะก็อาจจะไม่ดี ก็เสียเวลาไปอีกวันต้องมานอนเช็ดเชเลยบางคนอดข้าวสักหน่อยนะดีดีอะไรคือตันหามันลดลงบางคนกดมากโทสะไม่มีแรงหุดหงิก็ไม่เหมือนกันนะพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเป็นตามสุดโท๊ะแต่ มันเป็นสิ่งที่ให้เราทดลองดูว่าทำแบบไหนแล้วมันทำให้อินทรีย์แก่ข่า้เพิ่มเราได้ทาความเพียนมากขึ้นความเขียนก็ไม่ใช่ว่าเราต้องเดินจง p n o n นั่งยกมือตลอดทั้งวันนะแต่ความเขียนจริงๆคือทำตั้งแต่ตื่นจนดับทำแบบไหนกาคือการปฏิบัติทำได้ตั้งแต่ตื่นจนดับคือความเคียน คำว่าผมเขาอ่า น, นทรีเนี่ยคือทุกขาะบางทีเป็นชาวบานบางทีหาเวลาปฏิบัติในรูปแบบก็ถ้าไม่ใช่เสาอาทิตก็บางทีก็ไม่ไม่ได้เยอะหนอกตอนเช้าตอนเย็นก็ได้บ้างแต่ตอนตลางวั น, น, น, ต น, น, ต น, นต้องทำงานนะต้องใช้ชีวิตในการทำงานอ่านทีเกี่ยวข้องกับครอบครัวแต่จริงถ้าเราเข้าใจนะวืา นะจะมาทีทำงานก็เอาการปฏิบัติทำแทรกเข้าไปนะแต่แทรกแบไหนก็มาว่างานหลายอย่างที่เราไม่ต้องใช้ความคิดมากเราก็ดูกายของเราแทรกเข้าไปนะขับรถนะเดินหรือว่าทํางานบ้านอะไรแบบนี้ซึ่งไม่ต้องใช้ความคิดบางแผนคิดมีข้ออะไรนะเราก็ดูกายของเรา ถ้าบางทีงานบางอย่างที yeah, ่ต We yeah, <c ười> mm. ้องใช้ความคิดต้องเจรจาอะไรต่างตเรากอาจะแทรกในการรู้เท่าทันอารมณ์จิตใจก็ได้บางทีเราประชุมกันนะบางทีก็มีอารมณ์มีอารมณ์มีบางคนพูดยาวๆน้ำช่วงทุ่งแบบรุ่รอยงเงี้ยใจมันเป็นแบบไหนของคนก็พูด ฝันผ <äng> <ừ. S 1> ่าซากนจิตใจเรียนแบบไหนนลยเนาะบางทีก็เบือเี่ยบีก็ชอบเนี่ยก็ดูก็ดูอารมณ์ของเราขณะที่ทำนาะเราเกี่ยวข้องกับคนในบ้านก็เหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราจะไม่ชอบแต่จะกับคนที่เราไม่ค่ยไม่ค่ยรู้จักหรือไม่ค่อยคุ้นเคยในที่จริงไม่แต่คนในบ้านก็มีทั้งชอบก็ไม่ชอบเนี่ยเราก็ดูอารมณ์ร บกงคนมีลูกลูกน่ารักเป็นอาจารย์ของธรรมะอินเดียนะอืวันนี้เขาหน้ารักเราก็ดีใจนะะหลงวันนี้เขาดื้อเขาไม่น่ารักเราก็ทุกข์ใจเราก็โกรธนะก็ดูอารมณ์เราขนาดที่เนี่ยขนาดเขาเกิดมากับเราเป็นผู้หญิงต้องเขาเกิดมากังเราแต่เขาไม่ใช่ของเรา เพราะเราบองคับเขาไม่ได้มีปีเรื่องนี่ก็คือธรรมะอย่างหนึ่ง น, นะธรรมะที่สอนไอ้พวนี้ก็เป็นปัญญาจัด ก, การใช้ชีวิตประจำวันะนะแต่เนีทําให้เราได้เห็นว่าชีวิตมันมีสิ่งที่เราบังคับไม่ได้เยอะมากคนอื่นเราก็องบังคับไม่ค่ได้แม้แต่จิตใจเราเองยังคับไม่ได้เลยเราปฏิบัติมันม่ดคิด ก็ห้ามไม่ได้มันเกีออ่วนุ่งก็หามไม่ได้ความสุขใหญยไปตอนไหนก็นหามไม่ได้นะมันคือสอนตัวเองให้เห็นว่าสภาวะต่งางๆมันเกิดขึ้นมาแล้วก็บังคับมันไม่ได้อันนี้จุดเป็นตัวปัญญาพิจารณาแต่จริงก็เป็นปัญญาแตการภาวนาทําให้เราเห็นความจริงไปด้ว ย, วยนะความเพียรจริงๆนะ คือการปฏิบัติไม่ได้ทั้งวันพยายามปฏิบัติให้มันได้มากที่สุดนะก็ที่ทําได้บ่อยๆทำบ่อยๆทำให้ได้มากที่สุดคำว่าต่อเนื่องนี่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่หยุเลยไม่คิดเลยนคำว่าต่อเนื่องคือพยายามปฏิบัติบ่อยๆแต่พอถึงจิตหนึ่งติดมันเป็นการณอมันคนนี้มันเหมือน มันจะรู้ความมันเองไม่ว่าจะทําอะไรจะติจะจำมีสติรู้ความมันเองไม่ว่ามันจะคิดมันจะเนื้ออะไรสติรู้ทันไม่ใช่ว่าตอนที่สติมันต่อเนื่องตัวรู้มันจะชาดไม่ใช่ว่ามันจะไม่คิดไม่ลงมีแต่มีแต่มันก็เห็นความมันเองไม่ต้องใช้ความพยายามการเิดมันจะเกิดสติที่เป็นอธรรมะที่มันมันรู้ได้ของมันเองทำได้เรื่อย เหมืนแรกๆเหมือนต้องพยายามจะรู้ตัวแต่พอหลังๆมันรู้สึกว่าการรู้ตัวเหมือนไม่ต้องพยายามเพียนจริงๆคือไม่ต้องไม่ต้องพยายามแต่ม <tinc S 1> <Af> ัแค่แค่รู S ้ความเงินไปเรื่อยๆรู้ว่ามันตละหนักเองเนี่ยเพียนแบบนี้นะแต่ถ้าบางคนก็แค่ขยันครับแต่สมาธิ ไม่ค่อยมีก็คือไม่ค่อยตั้งมั่นไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันนี้ก็ก็ขยายไปข้างนอกนะแต่บางคนติดสมาธิสงกสบายก็ขี้เกียจนะขี้เกียจรู้อยู่แบบสบายสบายบางทีการปฏิบัติธรรมบางคนก็ถามว่ามันสบายตนสงบบางทีก็จะไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากเนจอกู อยากจะหนีคนอยากจะหนีงานอยากจะหนีภาระเพราะมันรู้สึกว่าพอไปเจอแล้วเป็นทุกข์อ่ะที่จริงมันเป็นทุกข์ตั้งแต่นี้ไม่อยากเจอแล้วแหละเห็นไหมไม่ใช่ว่าเจอแล้วเป็นทุกข์นะไม่อยากเจอก็เป็นทุกข์นะพอจะเจอน่ะเห็นนองแล้วนะก็หนีแล้วนี่ก็เป็นทุกข์อย่างนั้นนะ อันนี้คือจะมาจิตส บ, บายปรับสมองแนละ้วใี้เรารู้สติจะเป็นตัวช่วยประนะับปรับจังสมองโดยว่าบางทีบางคนศรัทธาน้อยนะมันก็อาศัปรรยปัญญาเข้ามาเสริมให้มีศรัทธาไม่ไม่ใค่แค่ว่าความเชื่อยอย่างที่ว่าศรัทธาคือคือความเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นนะ ในจักรยานภาพของเราเองเนี่ยแหละไม่ใช่ว่าต้องคอยศรัทธาครบาจารย์นะคือศรัทธาและเชื่อหน้ากาเราเองเนี่ยก็ปฏิบัติทำได้เราเองก็มีติดต้มทุกได้นะไม่ต้องคอยขึ้นครูบาจารย์เท่านั้นเชื่อว่าการปฏิบัติที่เราทำแล้วเราก็ค่อยตรวจสอบเราเองนแะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ฟังครูบาจารย์นะคือ พอมาตรวจสอบมาทตรองดูว่าถูกผิดอย่ามอะไรพัฒนาหรือว่าเสือมลงอย่างไรเนะี่ยมันจะเกิดความมั่นใจทาไปเรื่อยจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแต่ไม่ใช่มั่นใจแบบไม่ความตายนะมั่นใจแบบรู้ว่าถูกผิดอย่ามอะไรเนะี่ยขึ้นตัวเองได้มากขึ้นมันก็จะมีศรัทธาในตัวเองมากขึ้นศรัทธาในพิธีปฏิบัติมากขึ้น มีปัญญาหรตอปัญด้วยน้องต้อไปบวมข้าไปนะอินทรีย์แต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันแต่วิธีปฏิบัติที่ที่เราเข้าสู่ภาคปฏิบัติคนะือการบวงข้ออินทรีย์ที่ดีที่สุดนะ <c oughs> การฟังก็เป็นการเสริมบ้านนะฟังในก้ะสู่ต่าง คามในธรรมะต่างๆก็เป็นตัวเสริมทําให้เรามีความมั่นใจนะกขึ้นหรือที่จริงการพิจารณาเป็นรจัดการพิจารณาก็เป็นตัวเสริมเมื่อทีเราเห็นคนอื่นก็เป็นทุกข์มากๆนะแล้วก็น้อมพิจารณาใส่ตัวชีวิตมันเป็นทุกข์อย่างไรหรือเวลาเราเจอปัญหาชีวิตเยอะๆแล้วก็พิจารณาเนี่ยแหลนะ ก็ต้องเห็นว่าใจเจ็ดต้องเจริญตรงนี้แหละนะมีไม่คนหรอกนะเราก็ดูพิจารณาได้ตามข่าวนะได้เป็นยาเยอะเลยนะเห็นไ้ยบางคนดังมาเร็วๆนะไปก็ไปเร็วอนกันนะม่ต้องเยอะตัวยานะตัวนประที่ในรายตันก็เหมือนกันไม่แต่ตัดตรงเจ้าบางบุคคลดังเร็วรุบุกเร็วก็มีที่ มันไม่แน่นอนะไม่แน่นอนอันนี้ต้อมนมาพิจารณาเส้นใหน่ก็เกิดสัญญาแต่บางทีครูบาอจารย์ลูกอย่างมันก็่อเียนน่าจจะไม่ได้เ น, น้นตรนนี้แต่จริงๆไม่ใช่ว่าท่า น, นไม่มีนะแต่เพียงอย่างหลวงพ่อเทียนท่านเป็นคารว่าท่านเห็นทุกในการกลองเรือนเห็นทุกแม้แต่ตอนทําบุญกระถินมันก็ยังมีความทุกนะเห็โกดันทะ ย, ยา ท่านเห็นปุกบจเป็นแบบพอสมควรเนี่ยจะเป็นท่านแน่วแน่ว่าจะปฏิบัติธรรมเพื่อออกจากทุกข์ไม่ได้ท่านก็จะงงตรงนี้เลยแต่บางคนยังไม่เข็ดทุกข์เท่าไหร่ก็ล่าก็เอาเอาทุกข์จากคนอื่นมาพิจนราใมันเสริมกันไปแต่มันจะได้๋ยวนั่งพิจารณาให้มันคนทุกข์นะใหมีคนแบบให้เป็นตัวเสริมทีเดียวในการปฏิบัติ่ ที่เราถามอารมณ์กีรษณชนะมันจะทำให้เราค่อยๆคนจับทุกไป ม, ม, มีใครจะถามสงสัยอะไรก็ถามได้นะคนใหม่ก็ได้นะคนเก่าก็ได้ทางานก็พูดไปแบบานๆานแหย่ <c oughs> ไม่รู้ถูกตาตัโกนเลยอ่ะถาม เ พ, เพื่อเพื่อเาไปปฏิบัติต่อถ้าถามคพิงแค่แค่อยากรู้ได้ประโยชน์หมแต่ถามว่าเราเกยเอาไปปฏิบัติต่ อ, อยางไรเอาไปใช้ต่ออย่างไรจะเจิประโยชน์หรือที่ปฏิบัติมาแล้วมันติดสัตรงสมใจยังไงก็ถามได้นะเช่น ก็ไม่ได้ไม่ต้องพิจารณาเลยเพราะว่าพิจารณาไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมาพิจารณาหาเหตุนะผลทาไมมันถึงเกิดแต่เร่งนี้นะไม่ต้องแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ คือม huh? ันจะหาไม่หายเรื่อยๆเรารูว่ามันเกิดขึ้นกต่อรักแล้วให้เรามาใส่ใจที่การขึ้ื่อนไหวไมเป็นระดแรกะต่อไปแค่สติมีกำลังมากขึ้นพอมันมันเกิดขึ้นมาแค่สติเองความสุกนั้นไม่็นระดับคนไปยของมันเองไม่ใช่แบบตั้งใจให้ระดับ มันจะเข้าใจเองว่าทําไมมันเกิดขึ้นมามันจะเข้าใจเองว่ามันเกิดขึ้นมาทําไมมันถึงเกิดขึ้นมามันก็จะพอมาเข้าใจที่ของการเกิดมันจะดับเอง กระเนี้สช่อผสูงมันตีมากนะที่ก็อย่าทำในที่แต่เดินที่มันตดเช่นถ้าเราหน้าหน้ารู้สึกมันเริ่มเกร็งหนักยกมือทักขั้วมือเริ่มเรงหนักเริ่มยกขึ้นไปเดินสบายหรือว่าแ่บางคนขอยกมือ้ันเริ่มเข่นลอนดูว่าถ้าเราทแค่เนียมันเข่งไห คือถ้ามันติดเท่งมากเราอย่าไปทำตัวนั้นต่อให้มันทำอย่างอื่นที่เรารู้สึกว่ามันสบายกว่า หลงไปโกรธหลงไปคิดหลงไปอยากนั่นอย่างนี่หรือที่หลงแป๊บๆแบบนี้เดี๋ยวก็ไปสนใจตาไปสนใจติมนั้นนะหรือแป๊บๆใจจะไปคิดเรื่องนั้นนี่นะถ้าเราเห็นบ่อยนี่ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการนะแล้วก็อีกอย่างนึถ้าพัฒนการที่จะดีอย่างก็คือว่าอารมณ์ที่มันเคยแรงเช่นเคยโกรธแล้วก็เหมือนต้องปรั ว่าเขาถื่จะพอใจถ้าเราให้รู้ทานมันแล้วก็มันก็ดับได้หรือเวลาัำอยากเวลาไปก่อนมันกะอยากมากๆแต่ต่อไปมันก็อยากอยู่นะแต่นู้สึกว่ามันไม่งานก็เดินนะก็คือว่าเป็นขั้นบรากาศที่ต้องเข้าใจว่าปฏิบัติไม่ใช่ขั้นการคือก้าตอบปฏิบัติไปว่ามันใช้ จิตมันจะต้องไม่มีความคิดจะต้องสงบทักวันอะไรเนี่ยไม่ใช่นะที่เราก็รู้สึกตัวอย่างที่บอกรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นเห็นความโลภความโกรธความหลงได้่อยขึ้นนะแล้วก็ความปุ๊กมันก็คงที่จริงกิเลสทั้งหลายนะมันเกิดมาเพื่อสร้างที่เกิดจิตใจเป็นปุ๊กนะพอเราเห็นกิเลสได้เร็วขึ้นมันเหมือนจะใช้ไฟที่มันเคยกล่อมใหญ่ พอเราเห็นมันเร็วขึ้นไฟมันก็คลองได้กลงความตุ้มในใจมันก็น้อยลงมันก็ดับได้ง่ายหรือว่าแม้มันไม่หายเช่นอยากก็ยังอยากอยู่แต่มันก็รู้สึกว่าความอยากมันไม่ขยายตัวก็ราะเราไม่ได้เติมเติมฟืนเติมเชื้อเข้าไปความอยากมันก็อยู่สักพั้หนึ่งพอหมดเชื้อมันก็ดับไปได้เนยถึงพัฒนาการเทื่อราจะเห็นว่า ทุกใจมันกน้อยลงนะเบาลงสบายขึ้นนะ ก็ชีวิตของเราส่วนใหญ่ก็เราต้องมือตาต้องทํางานต้องเดินต้องอะไรต่างๆซึ้นเราก็เอาสิ่งนี้เป็นประโยชน์การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันของเราก็เตินสติเข้าไปก็คือให้รู้ตัวรู้เท่ทนการเคลื่อนไหวเห็นกายเคลื่อนไหวแต่เป็นผู้รู้หรืออย่างก็คือเราก็ไม่ได้มองความคิดคือกิเลมันมันคือ สิ่งที่มันมันแย่นะแต่เมื่อมันคิดถ้าเรารู้ทันเมื่อกิเลสเกิดขึ้นมาเรารู้ทันอันนั้นก็ถือว่าเรามีสติเหมือนกันนะเพระนั้นปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเราจะต้องไม่มีไม่มีความคิดหรือว่าไม่มีกิเลสแต่มีแต่รู้เท่าทันพอรู้ทันเหมืนอนที่มันต้องไปจับกองร้อนะ มันจะปล่อยตรั้นมันรู้ว่าเราปิดใจมันจะปล่อยแล้วถ้าแต่ก่อนมันก็ปล่อยด้วยความแบบเปลืองปล่อยแต่พอปัญญาหน้าขึ้นมันจะรู้สึกได้เองว่าไอ้ที่ปิดใจน่ะก็มันเป็นฟุ๊กมันเป็นฟุ๊กมันจะเห็นว่าความโกรธมันเป็นฟุ๊กแต่ก่อนห้ามโกรธไม่ใช่ไม่ไงนนะบิงทีก็เขารู้สึก โกรธไม่ดีไม่โกรธดีกว่าแต่ภาวนานจริงอันนี้ไม่ใช่ว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีนะอันนั้นเป็นข่านข่านสมมตินนะดีกับไม่ดีแต่ขั้นปัญญาจริงคือมันเห็นว่าเป็นปุ๊บโกรธเป็นปุ๊บ ก, กายเป็นปุ๊บใจก็เป็นปุ๊บมันปล่อยก็มันเป็นปุ๊อยากก็ไม่ใช่บอกว่า อยากมันดีหรือไม่ดีเมบางทีก็ตับสินว่าไอ้อยากแบบนี้ดีอยากแบบนี้ไม่ดีอะไรนะแต่ให้เห็นว่าความอยากมันเป็นฟุ๊กมันจะปล่อยแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจําเป็นอันนั้นมันไม่ใช่เรื่องความอยากมันเป็นเรื่องของความจําเป็นมันจะเห็นว่าอยากจะดีก็เป็นฟุ๊กอยากจะได้ก็เป็นฟุ๊กหรือไม้แต่ไม่อยากไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากเอาก็เป็นทุ๊ก ไม่ได้เห mm. ็นไม่ใช mm. yeah, okay. ่ว่าคือแต่ก่อนเราจะรู้สึกเป็นปุ๊บก็คือตอนมันไม่ได้อย่างที่เราอยากแต่จริงมันจะเห็นเลือดเป็นญาที่จริงไม่ได้อยากนะมันก็ปุ๊หรือได้มามันก็ไม่ใช่เสียเป็นสุกไม่ใช่อย่างไหนอยากไม่ใช่อย่างไหนที่จริงๆหรอกมันก็ยังเป็นปุ๊บอยู่พอมันต้องรักษากลัวหายอะไรมันก็จะเป็นปุ๊บมันจะเห็นสุดท้ายมันจะเห็นด้วยปัญญาว่า สิ่งทั้งหลานะ่ะมันก็มีแต่ฟุบเมื่อมีแต่ฟุบมันก็ไม่มีอะไรทิดทิดมัน่นถือมันไนด้จริงจริงมันก็ปล่อยมันก็วางอันนี้คือเราปฏิบัติเพ่ให้มันเกิดเกิดสติเกิดปัญญาแบบนี้นะอนอกจากไป